สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นในจิตทั้งเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก่อนเป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเ พ, พื่อเป็เครื่องกล่องจิตกล่องใจเราในลําดับแรกเป็นอย่างนี้นลําดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะโดนจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาว น, นาก็ดี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 คือทำทัาผัดเป็นขณนะขณนะตามกระแสะเสียงทันทีเทิเดเป็นบกเป็นมาทสัมผัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมพะนนการทําธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ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 สกิตติประโยช น, น์ปัังการทํากิจให้พองแผ้วถึงความเมื่อสุดนั้นประกันเอทางพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำํำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศร้าหมองท่านไม่ให้ทำํำให้พยายามทําตั้งแต่กุศลคุณงามความดีเพราะความฉลาดของตน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 จึงเป็นสิ่งที่น่าทำผิดเวลามีสิ่งสุกภพสมมมครอบงมอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตาหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายเสียดีกว่าอย่างนี้ความอินฉานและอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็น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 กิเลสอาสวของตัวตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่าไม่ีราคานี้แต่ที่เป็นหนัวใจคือที่โลกขี่โกรธที่ห ล, ท ล, ทลทงทำละขี่นี้ออกโดยลำหัักัำหนักเมื่อหมดของปกปกปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายดีไหนก็สบายธรรมนิพพานนางปรมังศูนย์อย่างอะไรศูนย์มันก็รู้เอง อะไรยังอยู่เขารู้<ะ>ใครจะไปรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้ว<ะ>ถ้าคำว่านิพพานังปรมังสุงญังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้า<น>พวกเราไม่เห็นว่าเท่าไรเลืก่อนอย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คคำว่านิพพานังปรมังสุญังจะไม่มีปัญหาหญเลยเลย พระจัอยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูญอันใดยังนิพพานังปรมังสุขขังดังที่คำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความเมื่อสุขของใจรุวนร้วนยึดไม่มีการที่ทำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรละ